เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องหางจุกตูดในการจัดการพบกลุ่มเพื่ออภิปรายประเด็นครูประจำกลุ่ม ได้ยกประเด็นขึ้นว่าในเวลาที่หมากัดกันนั้นตัวแพ้จะแสดงท่าทางของความพ่ายแพ้โดยการม้วนหางจุกตูดแยกเขี้ยวร้องเอ็งๆฝ่ายตัวชนะจะไล่ฟัดและอยู่ข้างบนคำรามขู่แล้วก็ถามประเด็นให้นักศึกษาอาภิปรายว่าเธอรู้ไหม หมาตัวแพ้แสดงอาการหางจุกตูดนั้นเพราะอะไรนักศึกษาคนแรกตอบว่าแสดงความกลัวจะถูกกัดครับคนที่สองตอบว่าแสดงอาการยอมแพ้ให้คู่ต่อสู้ทราบครับคนที่สามตอบว่าไม่ต้องการให้ถูกกัดและเจ็บตัวคะ่ะคนที่สี่ตอบว่า ผมว่าเป็นเรื่องของหมาคนไม่เห็นเกี่ยวเลยครูประจำกลุ่มจึงพูดขึ้นว่าขอบใจมากนักศึกษาคนที่สี่ตอบถูกส่วนคนที่หนึ่งถึงคนที่สามเธอเป็นหมาเหรอจึงรู้อาการของมันเรื่องนี้สอนว่าบางครั้งเรามักจะคาดเดาวความคิดของคนอื่นว่า เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงเราไม่ใช่เขาไม่มีใครจะรู้ตัวเท่ากับตัวของตัวเองท่านว่าจริงไหม